เ, เชิญคนอยู่วัดส่งกันบ้านรู้สึกตั้งมั่นขึ้นคะ่ะหลวงพ่อแล้วก็ไปดูตัวความคิดอะคะ่ะว่าแม้แต่ในความคิดเองคิดเป็นกุศลอกุศลตัวความหนักก็ต่างกันใช่นื่อ น, นมันจำแนกนะใจเราว่าหนักเบาไม่เท่ากันเวลาตายถึงไม่เท่ากันหนักๆลงต่ำไป <c oughs> แต่ถ้าไม่ภาวนาจะมองไม่ค่อยเห็นไม่เห็ น, นอ่ะถ้าไม่ภาวนาไม่เห็นนะการภาวนาทําให้เราได้สติได้สมาธิขึมแล้วมองเห็นความจริงได้น่ะดีภาวนาของรักจะฟุ้งเยอะค่ะเมื่อวานที่เดินในรูปแบบแล้วก็ทําในกุฎของตัวเองก็ด้วยความสนก็พยายามลองหลายๆอย่างแล้วเมื่อวานก็ลอง ลองเพ่งดูลองเพ่งซีเพราะว่าไปดูที่ตัววันไหวของของอกค่ะก็ด้วยการขยับมือลองขยับมือลองอะไรก็ชัดเจนมากขึ้นกับตรงอกแต่ว่าเห็นเลยว่ายังไงก็แล้วแต่เพ่งไงจิตมันก็คือไม่อยู่กับที่มันก็แวบมันก็ทำให้มองเห็นไตรักดีค่ะแล้วเพ่งไม่ชำนานเพ่งชานานอยู่กับที่เลยค่ะ ก็ก็ดูเป็นกลางกับสภาวะมากขึ้นเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นคือถ้ า, ถ, าถ้าทำเพื่อหัดรู้สภาวะไม่เป็นไรนะแต่ถ้าจะภาวนาให้พ้นทุกข์แล้วไปเพ่งไม่เดีย๋ยแต่ทำซ้อมเพื่อดูสภาวะนะก็ใช้ได้เอาคุณแต้มก็ดูไปหนักเบาก็ไม่เที่ยงนะจะหนักหรือจะเบาก็สั่งไม่ได้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปนะทุกอย่างตกอยู่ใต้ไตร ล, ลักษณ์ อันเนี้ยมาทํากรรมฐานเลยก็ได้หรือดูอะไรไม่เป็นนะเห็นใ น, ในกลางอกนี่เดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวมาอีกนะแต่เวลาดูไม่ถลําลงไปดูนะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วไม่ยากหรอกกรรมฐานสําหรับคนคนหนึ่งนะไม่ได้ต้องการเยอะอจริงๆต้องการนิดเดียวนะ่ะเมื่อวานเมื่อวันศืลนคุยกับพระองค์หนึ่งพระองค์นี้เรียนหนังสือเก่งช่างคิดช่างคิดก็บอกท่านเที่ยวคนความากไป กรรมฐานที่จําเป็นของคนคนนึงนิดเดียวท่านบอกดูซ้ําๆใจมันเบื่ออยากไปดูอย่างอื่นบอกเบื่อให้ดูไปดูเบื่อไปเลยเราต้องดูซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างเงี้ยจะเห็นทุกหเห็นโทษไปดูนิดๆหน่อยๆแล้วก็เปลี่ยนไปดูอันอื่นอีกยังไม่ทันเห็นแจ้งก็ทิ้งไปอีกไปดูอันใหม่อีกละงั้นไม่ดีเพราะฉะนั้นกรรมฐานมันมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ประจําเอาตัวนั้นแหละเป็นตัวประจําของเรา เอาสักอย่างหนึ่งสมัยหลวงพ่อหัดทีแรกเลยหลวงพ่อเอาตรงเนี้ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตเอาความปรุงของจิตนะเป็นเครื่องอยู่ของจิตก็คือเดินจิตตามนุปัสสนานั่นเองแต่ไม่ถลับลงไปเพ่งมันก็เห็นมันไหวๆเกิดดับทั้งวันทั้งคืนสุขทุกข์ดีชั่วก็ผุดขึ้นกลางอกนั่นเองนะความมืดความสว่างของจิตที่ผุดขึ้นมาคอยรู้ท่านรู้ทันไป กำลังมากขึ้นนะคะหลวงพ่อแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงฐานแบบจิตมันเจ้าออกนอกไหมค่ะเออาชาดีรู้ทันนะอย่าออกตามมันไปแค่รู้ว่ามันกระจายออกไปอย่งไม่เข้าฐานไม่เข้าฐานอมีอะไรอีกนอกจากสวดมนต์แล้วหลวงพ่อให้ทําอะไรเพิ่มเติมไหมคะเรรู้สึกร่างไกะขยับแล้วก็คอยรู้สึกรู้สึกปลุกความรู้สึกตัว หลุกให้ใจมันตื่นขึมาหลวงพ่อเตียนะขยับท่านขยับนี่ท่านเรียกว่าเขย่าวธาตุรู้เนะขย่าวปลุกตัวเองขึ้นมาหลวงพ่อเคยนะช่วงสมัยนูน้นตอนบวนใหม่ๆสอนโยมเสร็จละเหนื่อยเ ห, หน่อยจะหลับให้ได้ น, ะนั่งนวดทั้งวันนวดนวดพอหายง่วงเราก็นั่งดูต่อ คือรู้สึกว่ามันรู้มากขึ้นแต่มันยังบังคับบังคับรู้อะค่ะแล้วก็ยังฟุ้งก็ไม่เป็นไรฟุ้งนี่เป็นธรรมชาติค่ะ <c oughs> เป็นนิสัยไม่หายอะก็ <c oughs> ไม่ว่ามัน <c oughs> เป็นกลางกับมันไปก็ค่อยรู้ค่อยดูมีวินัยนะกลับบ้านมีวินัยในการปฏิบัติที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานเรื่องเรื่องที่ใจมันยังอยากให้ทุกอย่างมันดีทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์อะค่ะ ทำให้ป้อมรู้สึกใจเบาขึ้นนะคะคนัน่นแหละไปดูนะนเป็นจุดอ่อนของเราเอาสาวเห็นเห็นกายได้ชัดขึ้นนะคะมาอยู่วัด ม, มันมีแรงขับเคลื่อนทําได้เยอะพอทําได้เยอะเลยโล่เมื่อเช้าเลยมีโทสะค่ะไม่ได้ดั่งใจอทําไมล่ะทําได้เยอะแล้วมีโทสะก็ตอนตั้งใจจะตื่นเท่านั้นแล้วมันตื่นสายไปหน่อยก็เลยรู้สึกว่ามีโทสะไม่พอใจค่ะอมันกินโมโหนั่มโมโหตัวเองก็ได้ค่ะ แต่ว่าที่เห็นชัดก็คือว่ากลับมาเห็นกายได้ชัดขึ้นนะคะที่ไปทำอีกนะเอาเรินนี่จะมาอยู่วัดสามวันนะศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่เขามาตั้งแต่วันจันทร์มานั่งสมาธิเดินจงกรมเลยคำๆออกไปข้างนอกก้องวันนี้เหมือนจะออกจากเวทีซ้อมอะคะ่ะก็มันก็เลยแบบจะเข้าสู่ชีวิตจริงมันก็เริ่ม หลงมากขึ้นแต่ว่าดินรู้สึกว่าในความหลงนั้นน่ะมันมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าตอนที่อยู่ด้วยความตั้งใจคะแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มเห็นการไหลไปอะคะ่ะเยอะขึ้นแล้วดินคิดว่าบางครั้งดินเห็นว่ามันตั้งมั่นก็มีด้วยสลับกันนะคะแล้วบางครั้งที่มันรู้สึกว่ามันไหลไปรู้ตัวกลับมามันมันรู้แบบ ไม่ไม่แจ่มชัดอะคะ่ะก็พยายามทำก็ไปเหมือนทาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งให้มันแจ่มชัดอะคะ่ะให้รู้ทานเอนะตอนนี้มันจะมีกิเลสตัวหนึ่งมันจะเริ่มถึงวาระที่มันจะเติบโตแล้วคือจํเรื่องหมูกระดาษได้ไหมเออไปดูตัวนี้นะมันมันจะเริ่มสร้างตัวนี้ขึ้นมาเอาต่อไปต่อไป ใครมาไกลๆมีไหมวันนี้มีญี่ปุ่นไหมหมู่ น, นี้ญี่ปุ่นมาทุกวันเลย <c oughs> ไม่มีญี่ปุ่นอใครจะคุยกับหลวงพ่อเท่าที่จาเป็นนะเราต้องดูใจเรานะจำเป็นนะไม่ใช่อยากนะร้อยหกพยาส่งกันบ้านครับห้าเดือนก็จิตมีความตั้งมั่นบ่อยขึ้นแต่ว่ามันจะสงบไมไม่ค่อยนานเท่าไหร่แล้วก็มันก็จะเห็น โลกภายนอกคนนะฮะอยู่ห่างๆเห็นคนก็บางทีเห็นเห็นเป็นรูปแล้วก็ตาโมงก็จะแยกว่าเป็นตัวสังขารความพอใจในรูปนั้นอีกส่วนหนึ่งเลยฮะเออถูกต้องหันแยกขันไปเรืยนะมันเห็นไม่มีเราครับถ้าจิตต้องสงบจิตต้องตั้งมั่นนะต้องย่าให้ฟุ้งเกินไปครับเห็นความฟุ้งบ่อยแต่ก็ฟุ้งสั้นเยอะครับหาเครื่องอยู่ให้จิตไปจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมอะไรก็ได้จิตจะได้มีแรงและมีความตั้งมั่น งั้นเดินปัญญาจะกระชับกระเฉงแล้วก็ตัดได้ถ้าจิตฟุง้งอย่างตอนนี้มันฟุ้งไปเดินปัญญาไม่ดีจริงหรอกเอาเอห้าสบสทมาสการ์ค่ะหนูตอนช่วงนี้หนูจะเห็นกิเลส ต, ตัวเองเยอะมากเลยค่ะหลวงพ่อแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบนางมารลายค่ะแบบว่าโทสะแรงมากทีนี้ตอนก็เห็นตัวเองแบบ ปากมันก็พูดพูดพูดเนี้ยแล้วอืเห็นมันไปดูจิตตัวเองคือเหมือนกับว่าจิตมันไม่ค่อยรุนแรงเหมือนสมัยก่อนแล้วอะค่ะแล้วหนูก็เศร้าไปเลยสองวันอืเสร็จแล้วหนูก็มานั่งคิดว่าเราบกพร่องศินข้อสก็เลยตั้งใจว่าต่อไปนี้จะใช้ซีดีหลวงพ่อช่วยดีกว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็มาหาหลวงพ่อบ่อยๆแล้วแล้วหนูก็เลย ตอนเย็นเนี่ยพอก่อนขึ้นไปอาบน้ำเนี่ยหนูก็เลยเปิดซีดีหลวงพ่อฟังแท็กหนึ่งก่อนเดินจงกรม mm hmm. ใจมันก็สบายขึ้นมาแล้วก็ไปทําธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็จะมาเดินอีกครึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่ได้ฟังซีดีหลวงพ่อ mm hmm. แล้วก็ไปนั่งสมาธิ mm hmm. ต่อ15นาที20นาที mm hmm. สวดมนต์อะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. แล้วทีนี้พอทําอย่างนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่ามันเห็นกิเลสตัวเองเยอะมากเลยอย่างเมื่อวานไปเดินห้างแถวแถวลาดสงค์ค่ะก็เห็น ร้านค้าแบบมันกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยกิเลสมันก็ผุดขึ้นมาเรื่อย ๆ, ๆ เ, ลย เ, ลยเลยแล้วก็ต้องไปเจอคนเยอะมากเลยแล้วก็กลับมาบ้านมันนอนมันก็นอนไม่หลับมันยุบยับยุบยับไปหมดเลยแล้วก็เลยเห็นจิตมันมาทำทำสมาธิค่ะเสร็จแล้วมันก็หลับไปเลยแล้วเมาเช้านั่งรถมามันก็ยุบยับยุบยับไแล้วหนูว่าจิตมันก็หลบมาทาสมาธิแล้วมันก็หายไปตอนนี้เวลาหนูไปเจอ ไปเห็นสภาวะตัวเองเนะี่ยหนูรู้สึกว่าใจหนูมันไม่เป็นกลางมันไม่ชอบอะคะ่ะให้รู้ทันเอาสิรู้ว่าไม่เป็นกลางแล้วแล้วถ้าหนูคิดว่าตอนนี้หนูไม่ได้เก็บกดแล้วค่ะหลวงพ่อหนูว่าพยายามจะระวังรักษากายวาจาใจไว้อะค่ะแต่บางครั้งมันก็หลุดไปแล้วมันก็เข้าข้างตัวเองเรื่อยเลยค่ะหลวงพ่อพอรู้ทันนะว่าเข้าข้างนะ ไม่มีอะไรมากหรอกรู้สภาวะเป็นนะั้นก็รู้ด้วยความเป็นกลางได้ไปรู้ซื่อๆรู้อย่างที่เขาเป็นจริงๆค่ะแล้วตอนนี้หนูมีอยู่ตัวนึงคือตอนนั้นหลวงหนูหนูดูดูลมหายใจค่ะและ้วพอเวลาะจะทําสมาธิอย่างเงี้ยหลวงพ่อเคยสอนว่าต้องหายใจออกก่อนอย่างเงี้ยตอนนี้มันเริ่มเป็นอัตโนมัติแล้วหนูก็ไปเห็นว่าเออแบบกูเก่งอะไรเงี้ยค่ะ นั่นเองรูทันกิเลสไปก็มีแค่นี้ค่ะหลวงพ่อแค่แค่นั้นก็พอแล้วนะวันๆเห็นกิเลสทํางานไปแต่เราเป็นคนดูอย่างเป็นกลางตอนนี้มันยังไม่เป็นกลางก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางอย่าบังคับให้เป็นกลางนะบังคับไม่ได้หรอกเบอร์รอยสา34กลับมาสกการหลวงพ่อค่ะ ถามสองเรื่องค่ะเมื่อสีเดือนที่แล้วมาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าจิตยังไม่ถึงฐานค่ะก็สี่ออเดือนตอนนั้นดูออกค่ะแล้วตอนอีกช่วงนี้ที่ผ่านมาก็ฝึกอยู่ทุกวันมไม่ทราบว่าทําถูกต้องหรือยังค่ะถูกสิอะไรอีกละข้อสองข้อสองคือเรื่องลูกค่ะโมหะโมหกโะกทศมารวดเร็วมากค่ะแล้วก็ตามดูไม่ค่อยทันมไม่ทราบว่ามีผิดพลาดตรงไหนอะค่ะ <laughs> มันลูกเรา ไม่อยากบังคับมันตลอดอยากให้ได้ดังใจเนี่คอยรู้ทันนะพีนาไปตรงนี้ดูดูพยายามดูนานมาหลายปีแล้วค่ะหลวงพ่อส่งไปแ บ, บ้านเรื่องนี้ประจําเลยค่ะแต่มันก็ยังไปไม่ได้เลยค่ะมันมโมโหเก่งเป็นเพราะจิตจิตจะไม่ละเอียดพอหรือเปล่าคะไม่หรอกมันไม่เป็นกลางเนี่ยมันลูกเรานะเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นงี้พอไม่ได้อย่างๆเราก็ไม่พอใจ ให้เรารู้ทันใจเลยก็ดูบ้างคนแต่ละคนนะมีกรรมของตัวเองมีบุคลิกมีลักษณะอะไรเนี่ยเฉพาะตัวเองนะไม่มีใครเหมือนใครหรอกอย่างพ่อแม่เราก็อาจจะเคยอยากดัดแปลงเราให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่เป็นอย่างที่เขาต้องการเหมือนกันนี่ค่อยดูอย่างนี้นะะเขามีกรรมของเขาแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าปล่อยตามบุญตามกรรมหรอกก็ดูไปเรื่องลูกนะ พ่อญาเหมือนลูกเราแต่ถ้าแม่หัดไว้นะลูกก็จะซับเฟอร์น้อยหน่อยความรักของแม่มังทีททำร้ายลูกได้นะแบอร์สิบกรรมธรรมะสักการณ์หลวงพ่อค่ะคือก่อนที่มาเข้าคอร์สกับกฟพเนี่ยรู้สึกว่าจิตไม่มีแรงเลยแล้วพอหลังจากวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจิตเริ่มมีแรงมากขึ้นก็ รู้สึกว่าตอนนี้ก็พอที่จะกลับมาตามรู้ตามดูได้แต่ก็มีทังสลับกันไปทั้งจิตตั้งมั่นแล้วก็ทางที่ดักดูก็มีสคิคะดีที่รู้ทันนะเรื่องดักดูเนี่ยดีที่รู้เป็นดักดูอยู่ปัญญาไม่เกิดแล้วเพ่งกลายเป็นเพ่งไปหมดะเราจะแน่นๆปวดปวดศีรษะทั้าทางวันเลยเออนั่นแหละยิ่งภานาเราเครียดไม่ดี <c oughs> ก็ตอนนี้ก็เหมือนจะหลุดออกมาคลายออกมาได้บ้างอะคะ่ะดี ไม่ทราบว่าหลวง พ, อพออ่อมีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมไหมเจ้าค่ะก็มาภาวนาสามวันนะจิตใจมันก็มีแรงขึ้นดีขึ้นนะเนืกลับไปอยู่กับโลกมันก็เสื่อมนะแต่ว่าตัวสำคัญที่เราให้ได้ไว้ก็คือความเข้าใจรู้วิธีนะแล้วก็ภาวนาของเราสม่ำเสมอทุกวันต้องทำนะมีวินยัยมีรูปแบบของการปฏิบัติถึงเวลาก็ภาวนานจะทาให้เราไม่เหลวไหลไม่ทะเลตะไล อดทนเอาค่อยๆเรียนรู้ไปที่ที่รู้รู้สึกตัวนี้รู้ถูกแล้วคุณเจ้าค่ะแต่มันมีถูกมากกว่านี้อีกนะถูกมันก็มีเป็นขั้นๆไปถ้าฝึกตอนนี้ระดับนี้ก็ดีละใช้ได้ต่อไปสติปัญญามันก็แกกลากขึ้นจิตตั้งมั่นมากกว่านี้เป็นธรรมชาติมากกว่านี้อย่างตอนนี้อาจจะฟุ้งเยอะหน่อย ตามหัดรู้หัดดูไปต่อไปพอจิตไหลไปฟุง้งสติรู้ทันดับต่อไปไม่ฟุ้งนานไหลแวบก็รู้สึกแวบก็รู้สึกก็ดีขึ้นดีขึ้นไปสี่สิบห้ากรรมธรรมสการนะครับพอดีมาสองคำบ้านครับช่วงหลังปฏิบัติก็มีสติตามรู้ทำตลอดทั้งวันทั้งวันนะครับแล้วช่วงหลังไอตัวที่พูดมันน้อยมัน พูดน้อยลงหรือหรือว่าผมใจเร็ไม่ทราบแต่ว่าก็รู้ทํามันมันก็ดับไปดับไปตลอดแล้วครับบางทีก็เหมือนกับว่ามันตัวที่พูดไม่ใช่เราครับเออไม่ใช่หรอกมันพูดบนช่วงหลังฟาร์มมันบ่นบ้าเบื่อมั้ยมันก็ฟาร์มมันบ่นมากก็เบื่อมันนะฮะก็บ่นไปเท่ากับมันไม่มีอะไรมีของภาระมันก็ไม่อยากจับมันไม่อยากต้อมันก็ทำให้เหมือนกับว่าเมื่อเราไม่สนใจมันก็ตามเพื่อว่า การเป็นวิหารทรรของเราอะฮะซึกการทำไปเรื่อยๆแล้วก็จิตที่ส่งออกแล้วก็รู้ทันระดับทานี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่จิตถึงฐานไหมตอนนี้ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับอะไรนะตื่นเต้นนิดหน่อยครับ อ, อให้รู้ทันนะก็ความปรุงแตง่งอครับต่อไนี้ก็ทำนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจิตถึงฐานไหมในนี้ก็หรือจิตอยู่ข้างนอก กระจายไปก็รอดีหน่อยครับเออให้รู้ทันนะตัวนี้ตัวสําคัญนะอืถ้าจิตไม่ถึงฐานจริงมรรคผลไม่มีหรอกครับก็ผมมีติดอะไรไหมครับมีติดข้องอะไรไหมครับไม่ติดอะไรหรอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวติดความสบายก็แล้วกันปึ้งก็สบายเกินไปเป็นเพราะอะไรไม่รู้มันรู้มันไม่ภาวนาแล้วใจมันไม่เอาภาระ พอมันไม่ค่อยเอาภาระอะไรนั่นปล่อยๆนะมันสบายสบายแล้วเราเพลินมันบอกว่ามันตามรู้ตามรู้ตลอดมันไม่ทำวันๆก็เผาร้อตลอดนั่นหละให้ใจมันถึงฐานขึ้นมาจะเห็นทุกข์ไม่ใช่เห็นสุขหรอกตัวสําคัญเลยนะให้ใจมันถึงฐานจริงๆถ้าใจเรากระจายกว้างๆมีแต่ความสุขไอ้ตัวที่ถึงฐานมันเคยชอบนอนบางทีเพลียใช่ไหมฮะนอนกลางวันเนี่ย มันบอกว่าเห็นร่างกายมันนอนบางทีร่างกายก็หลับแต่ผมผมว่าไม่หลับอ่ะบางทีแฟนก็บอกว่านอนกลม่เราก็ไม่นอนกลเราก็ได้ยินเสียงตัวเองกล่อมนั่นแหละแต่ว่าเราก็รู้ว่ารู้ตัวตลอดนะฮะรู้สึกตัวไปนะแต่รู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นนะไม่ใช่ใจเพลินเินมันมีความสุขย้อมย้อมใจอยู่เออช่วงนี้เป็นตันี้มีความสุขมีความพอใจย้อมใจอยู่จิตติราคะใช่ไหมฮะใช่ใช่ไหมล่ะ ผมว่าใช่แต่ว่าหาทางแก้มันเนี่ก็รู้ทันมันก็มันก็ยังยำยองเยื่อเยื่อจิตมันมีราคะเท่านั้นแหละนะครับเอออตอนนี้เราเราแบบแบบรู้ๆแต่ความจริงอย่างเข้าข้างมันเออผมว่ามันมันหลอกมั่นหลงมันมั่งกิเลนมันเก่งนะอืมมันละเอียดขึ้นผมว่ามันสึกมันมันเริ่มละเอียดขึ้นในกิแล้วตัวนี้เกิดตังนะให้รู้ทันแ่้วนะครับผมมากครับ บางทีพอกิเลสละเอียดนะจิตมีความสุขอยู่กับธรรมะแล้วเพลินเนี่ยเป็นราคาแล้วเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยดีเนยเราไม่ไปต่อแล้วเราพอใจแต่ผมว่ามันติดตัวามันทางการแก้ไม่อยู่ก็รู้รู้ทาั้นราคะที่มีอยู่นะแล้วมันจะผ่านไปได้ 170. ร้อคเจสบส่วนใหญ่เวลาฟุ้งมันก็คือจะฟุ้งกระจายเลยค่ะหลวงพ่อแล้ว พอหายฟุง้งมันจะชอบไปแช่แช่ว่างๆอยู่ข้างนอกตอนฟุ้งพอใจไหมไม่เป็นกลางไม่พอใจแ ล, แล้วตอนแช่พอใจไหมหรือไม่พอใจก็ไม่ค่อยพอใจ <c oughs> ก็ให้รู้ทันแล้วก็เวลาทำงานทาั้งทางโลกหรือว่าปฏิบัติทางธรรมจะนิสัยจะชอบเข้าไปเพ่งต้องจะมีความตั้งใจแรงเกินไปอะ่ะถ้ารู้ทันนะเลแล้วรู้ทันไป รู้สึกตัวได้กับรู้สึกตัวเป็นมันต่างกันไงคะหลวงพือรู้สึกตัวได้กับรู้สึกตัวเป็นเอไม่รู้สิใครจะจะบรรจัตย์ยังไงล่ะพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆเท่นั้นแหละรู้สภาวะทุกอย่างที่เกิดนะพอรู้สภาวะได้แล้วต่อไปรู้ทันปฏิกิริยาของจิตใจเราเช่นสภาวะอย่างนี้เกิดแล้วพอใจก็รู้ทันสภาวะอย่างนี้เกิดแล้วไม่พอใจก็รู้ทันนะ ซับอีกคาแนะนําเพิ่มเติมหมครัจิตฟุ้งสั้นไหมฟุ้งเยอะเลยเอานะไปจัดการตัวนั้นนะให้รู้ทันว่าฟุ้งสั้นไปแล้วก็หาเครื่องอยู่ให้จิตจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะให้มีบ้านจิต่็ต้องการบ้านพักเหมือนกันถ้าจิตไม่มีบ้านจิตก็ร่อนเร่ฟุ้งไปเรื่อยๆแต่อยู่บ้านไม่ใช่อยู่คุกหมายถึงว่าอยู่สบายๆอยู่อย่ามีความสุข พุโทโธไปอย่างมีความสุขหายใจไปอย่างมีความสุขเราเลือกดูว่าเราชอบบ้านแบบไหนงงไหมนะเข้าใจดียังตอนนี้จิตเป็นยังไงก็มีโมหะค่ะอืมแล้วทำอะไรกับมันบ้างบังคับมันไหมบังคับค่ะ ก็บังคับอะครับไปลอยๆอยู่ข้างนเออนะนั่นหัดดูให้รู้ซึ้งอย่างนั้นนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะลอยๆยแล้วบอกว่ารู้ตัวอยู่นะมันลอยๆอยู่เอาเบอร์ห้าสิบเออไม่ได้ส่งกันบ้านมาเกับปีแล้วครับก็ปีที่ที่ไม่ได้ส่งก็เพราะว่าไม่กล้ามาส่งครับเพราะโดนกิเลสลากไปลากมาทั้งปีเลยครับแต่ว่าก็มานะครับแต่ไม่ได้ส่งกันบ้านเออ สงสัยเรื่องวิธีการปฏิบัติหน่อยครเพราะว่ามีกัลยาณมิตรท่านคอมเมนต์มาวิธีการปฏิบัติผมก็คือสมมติเดินออกกําลังกายแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อไปด้วยเนี่ยฮะแล้วเท้ากระทบก็รู้ฟังหลวงพ่อบ้างก็รู้บางทีเห็นกองขี้หมาอยู่ก็รู้ว่ามันอีหรือถ้าเดินมารอบใหม่แล้วรู้แล้วว่ามีขี้หมาอยู่เราก็จะบางทีจิตมันก็นึกไปก่อนละเราก็อีก่อนอะไรเงี้ยไม่ทราบอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับ คือเอาอันหนึ่งนะเป็นเครื่องอยู่ของจิตเช่นเราจะดูจิตเป็นเครื่องอยู่ของจิตก็ได้ส่วนการกระทบอารมณ์การฟังซีดีอะไรนี่ก็แค่การกระทบอารมณ์ตาเห็นขี้หมาก็แค่กระทบอารมณ์ใช่แต่ไม่ว่ากระทบอารมณ์อะไรแล้วจิตเป็นยังไงรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆทีละช็อตทีละช็อตแค่นั้นก็ได้แต่ไม่ใช่ว่ามีการเดินเป็นวิหารธรรมบวกกับการฟังซีดีบวกกับอนุนบวกอันนี้ S <S ไม่ใช่เอาจิตเป็นวิหารธรรมไหมจิตเป็นวิหารธรรมแต่ว่าก็ยังฟังซีดีอะไรได้อยู่ใช่ไหม <S <S ฟังซีดีนั่นคือการกระทบอารมณ์มตามองเห็นคือการกระทบอารมณ์หูได้ยินเสียงการกระทบอารมณ์นะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัส น, นี่นคือการกระทบอารมณ์แต่พอกระทบแล้วใจกระเทือนขึ้นมารู้ทันใจรนเรียกว่ามีใจเป็น ม, มีจิตเป็นวิหารธรรมครับนะแต่ใจกระเทือนมันไม่บ่อยครับ มันเท้ามันกระทบมันบ่อยกว่าถ้าเวลาเท้ากระทบเนี่ยจิตไหลไปที่เท้าไหมก็มีไหลบ้างฮะตัวนี้สําคัญนะครับถ้ายังจิตยังไหลไปอยู่ที่โน้นที่นี่นะให้รู้ทันหรอรู้ไม่ทันนะมันกลายเป็นไปเพ่งอยู่ที่เท้าไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกได้แต่สงบนิ่งๆไปใจจะแข็งแข็งขึ้นมาอ๋อถึงฟังซีดีไปด้วยครับมันไหลอันเงนเลยนี้นิดหนึ่งนี่นิดหนึ่งมันจะฟุ้งอ๋อนะเอาแต่อันเดียวคือรู้ทันที่จิต แต่ว่ากระทบอารมณ์ได้ทั้ง6กทวารเลยนะแต่รู้ทันจิตครนะแต่ไม่เพ่งจ้องไว้ก่อนนะไม่ใช่รอดูอยู่ที่จิตจ้องแล้วถ้ารอดูจะไม่เห็นเลยครับราดูจะเพ่งครับยังไม่มีอะไรให้ดูครับนั้นใช้จิตนั่นแหละเป็นวิหารธรรมบบคคุณรัใช้การกระทบอารมณ์ทางทวารทั้ง6เป็นตัวกระตุ้นให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปครับเมื่อ68ครับเป็นหลวงพ่อครับ ผมขอส่งกันบ้านในรอบหเดือนนะครับช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากว่าตัวเองเป็นคนมีโทสะจริตแรงนะครับก็ทำให้จิตขาดความเป็นกลางแล้วก็ชักบังบจะติดถลำถลำเข้าไปก็เลยช่วงหลังผมก็เลยพยายามเพิ่มการภาวนาพุโทธโธพุทโธเข้าไปก็มีส่วนช่วยให้ อาการหลงเนี่ยมันสั้นลงโอ oh, <sweet S 2> นะ้ใช่ได้นะดีดีนะฮะและ้วก็ถ้ากรณีที่มันโกรธแรงๆจริงเนี่ยเดิมเดิมเนี่ยผมจะใช่วิธีใช้แผ่เมตตาอแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่จริตของผมนะฮะมันเหมือนกับเอาเ อ, าอา่ไรไปกดกดทับไว้ผมก็เลยช่วงหลังผมเลยเปลี่ยนเลยบอกกับจิตว่าอา้าวอยากโกรธกรดไปขดได้เต็มที่นะเออมันก็แปลกก็ จิตมัคลายตัวลงเองเออตั้งนะนั่นแหละนั่นแหละเรารู้ทันจิตอย่างนั้นแหละครับผมเอเอหรือขอเอไอก า, ารเดินตรงกลมผมผมไม่แน่ใจว่าผมทําถูกไหมนะฮะคือระหว่างการเดินเนี่ยผมจะพิจารณาสองแบบคือตามหนึ่งตามดูจิตที่หลงคิดนะฮะอันที่สองคือการดูกายนี่ผมจะใช้วิธีพิจารณาว่าเวลาย่างเท้าลงกระแทกกับพื้นเนี่ยโดยปกติเ ท, ที่ผมสังเกตจะมีพลังงานที่สะท้อนจากปลายเท้าเนี่ยมา ผ่านมาที่หายสลังผมจะทําความรู้สึกตัวในรักษสนี้เป็นการดูกายไม่ไม่ทราบว่ากายเป็นต้องไหมฮะดูสบายๆนะครับไม่ใช่ว่าัวจงใจจะต้องดูจากนั้นมาตรงนี้อะไรเงี้ยอันเป็นงานที่มากไปมากไปมากไปเดี๋ยวจะยิ่งโมโหอีกครับเโมโหง่ายนะเออย่างการนั่งสมาธิผมนี่ผมจะใช้วิธีตั้งสติแล้วตามดูจิตที่หลงคิดเป็นหลักนะฮะ เวลาเวลาปฏิบัติก็จะเหมือนกับที่เลี้ยงที่ตามดูเด็กอยู่ห่างๆตัวไม่มีการเข้าไปประครองนะฮะก็เวลาเด็กมันเที่ยวเพลินพอแล้วมันก็จะกลับมาที่บ้านที่บ้านพุทโธนะฮะก็ผมก็เมื่อกลับเมื่อจะสวิตจักกลับจากวิปัสสนาการมาเป็นสมถะนะฮะแต่บางครั้งก็กลับมาสงบแป๊บหนึ่งก็ถอยกลับมาฟุ้งใหม่ก็ตามรู้ใหม่ ว่าทาตามนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ทราบว่าถูกต้องไหมฮะถูกสินะทําบ่อยๆทําไปสบายๆแต่โยมอยากคิดนํามันนะโยมวิเคราะห์มากไปนี้เดียวเป็นค้นกว่าเยอะไปนิดเดียวอ๋อครับผมดูสบายๆดูก็ทํางานไปสบายๆ บ, บางครั้งพ อ, อติดถอยมาสงบปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกบางทีมันนิ่งเกินไป บางทีผมก็เทวิติถอนออกมาพิจารณาร่างกายเป็นอสุภะบ้างพิจารณาเป็นโครงกระดูกบ้างนะฮะแล้วก็ดูเข้าไปถึงความไม่เที่ยงของส่วนต่างๆร่างกายนะฮะนี่ไงโยมรู้สึกไหมเรามีวิธีการตั้งเยอะแยะเลยตรงนี้ที่ว่าปัญญามันล้าไปอ๋อครับผมรู้ซื่อๆที่ลองเปลี่ยนมาเป็นวิธีรู้ซื่อๆดูอลกม๋อในนั้นโยมจะแตกฉานมากเลยจะรู้ไปหมดเลยนะ ต่สู้กิเลสยากอย่างนั้นกิเลสจะพลิกแปลงอะไรใหม่ๆมาเรื่อยเราก็ต้องคิดหาวิธีใหม่ไปสู้มันอีกอจับหลักแม่นๆเลยดูไปสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปดูแค่นั้นพอแล้วครับผมขอบคุณครับเองเบอร์200เบอร์ 200, 200. นมัสการหลวงพ่อค่ะขอโอกาสส่งกันบ้านในรอบหกเดือนนะคะครั้งที่แล้วหลวงพ่อเมตตาว่ามีตัวโรคผุดขึ้นมาเยอะอะค่ะตอนกลับไปก็เลยตั้งใจว่าถ้านั่งสมาธิก็จ ะ, ะระลึกถึงพุทธบูชาแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาค่ะก็รู้สึกว่าใจสบายขึ้นแล้วก็ก็รู้สึกว่าใจมันโล่งๆขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เวลา เจริสติเนี่ยก็จะใช้วิธีพุทธโธพองจะใช้แบบลมหายใจพุโทโธมากกว่าค่ะแล้วก็ถ้าอะไรกายเคลื่อนไหวได้ก็ดูกายถ้าตอนไหนคิดก็ก็กลับมาดูจิตแต่ถ้าสวดมนต์เนี่ยมันจะเห็นแวบแวบแวบออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตลอดะคะ่ะแล้วก็ถ้ามีมแรงนะเราก็เห็นมันเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเรื่อยแล้วก็ดูไปเรื่อยเอ๊ะมันไปได้เองนะยัะดูไปเรื่อยแล้วถ้าโกรธเนี่ยก็คือจะเหมือนจะมีตัวเวียงออกไปก่อน รอบหนึ่งเราค่อยกลับเข้ามาในใจก็กลับมาเหมือนพุทโธเหมือนนั่นแหละตัวโทสะมันเวี่ยงออกนะตัวโลภามันดึงเข้ามาตัวโมหะก็หมุนหมุนหมุนหุ้นก็ขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้หน้ไปทําต่อสินะฝึกไปให้ใจมีแรงกว่านี้หน่อยใจไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมไม่ไม่ค่อยถึงฐานด้วยเวียงออกเวียงออกตลอดเออนอะดูไปใจยังไม่มีแรงฟุ้งอะ พุทโธพุทโธไปเรื่อยไม่หวังว่าสงบทำเป็นพุทธบูชาแล้วมันจะสบายแต่ว่าใจมันต้องมีแรงมากกว่านี้หน่อยค่ะาสิบสี่นู่นอยู่หลังห้องเลยน้มัสการหลวงพ่อครับสงการบ้านสี่เดือนที่แล้วครับครั้งสุดท้ายก็กลับไปปฏิบัติปกติก็จะสวดมนต์ก่อนนอนครับ เสด็จบททำวัดเย็นส่วนตอนเช้าก็ถ้ามีเวลาก็จะได้สสด็จมนถ้าบางวันต้องขึ้นรถเมล์ก็จะนั่งพุทโธมาในใจไปเรื่อยๆครับก็ <c oughs> ช่วงนี้บางทีก็เวลามันมีทุกข์มีอะไรขึ้นมาปุ๊บมึงจะรู้สึกตัวขึ้นมามึงก็จะเห็นเอ๊ะมาหลงคิดไปแล้วอันนี้เป็นตัวที่ที่เห็นที่ ช่วงหลังๆที่จะเห็นนะฮะยกใหม่นี้แหละหลวงพ่อไม่ค่อยได้ยินครับก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าช่วงนี้มีติดข้องอะไรัหมครับมีอะไรแนะนำบ้างครับใช้ได้นะที่คุณทำอยู่ยนะต้องไปทำอีกเท่านั้นแหลนะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองยังก็ช่วงนี้ทุกเริ่มเบาลงแล้วก็น้อยลงครับนะค่อยรู้ไปอย่างนี้แหละรู้ไปสบาย เห็นธานเห็นขนันมันทำงานไปด้วยนะใจเราเป็นแค่คนดูดูไปสบายๆที่อยู่ฝึกอยู่ใช้ได้นะครับผมดีขอบคุณครับฉิดตั้งมั่นสบายไม่ได้ตั้งแบบบังคับไว้นะตั้งได้สบายๆเอ้ยบังคับไปแล้วยัง <laughs> อย่าไปกดเหมือนนะดูไปสบายๆเหมือนตะกี้เนี่ยนะ แล้วก็เห็นขันมันทำงานไปด้วยจะเห็ น, นั้นไม่มีเราอ่ะมันทำงานได้เองอร้อยสามสิบเจ็ดรัสการหลวงพ่อค่ะขอส่งกันบ้านปีนี้นะคะเ อ, อคือพอมาปฏิบัติแบบดูจิตของหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ดูจิตหลวงพ่อสิดูจิตตัวเองค่ะเออนะดูจิตตัวเองเรู้สึกว่าตัวเอง เป็นคนที่พูดน้อยลงไปเยอะดีแล้วก็พอพูดอะไรขึ้นมาอย่างเช่นในวงเพื่อนไปเข้ากลุ่มสัมมนาอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะรู้สึกว่าเราอะหลุดโลกเหมือนกับว่าไม่ใช่หลุดโลกจะใช้คําว่าอะไรดีวะไม่เหมือนชาวบ้านประมาณนี้ค่ะอย่างเช่นเขาบอกว่าจุดหมายของชีวิตของพวกคุณคืออะไรในกลุ่มข้าราชการด้วยกันเองที่ไปอบรมเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าเขาอยากไปเที่ยวรอบโลก บางคนที่มันหลุดโลกหน่อยเขาก็อยากจะเป็นโกลเมมเบอร์ของวิ c t o เ i ียซ c r e t อะไรประมาณนี้นะคะ mm. แต่พอพอมาถึงเราเราบอกว่าถ้าเรามีเวลาเราอยากจะมาปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นสักห้าวันเจ็ดวันเออดีเขาก็เลยบอกเขาก็ถามเราว่าแล้วเราดูเรามาทางสายไหนอะไรเขาถาม mm. แล้วก็บอกไปคร่าวๆว่าเราใช้ว mm. ิธิการดูจิตอะไรทำนองนี้เขาบอก mm. ถ้าอย่างนั้นคุณก็เห็นกันตัวมากเลยเพราะว่าคุณเนี่ย ทำงานไปด้วยแล้วแล้วจะปฏิบัติไปด้วยได้ไงแล้วเดี๋ยวต่อไปอคุณก็มีแฟนแสดงว่าคุณต้องเห็นแกนตัวคุณมาดึงแฟนคุณมาแล้วคือเหมือนกับอะไรเนี่ยไม่ถามเขากลับแล้วเที่ยวรอบโลกมันเห็นแกนตัวเปล่ามึงเป็นข้าราชการอะไรคิดจะเที่ยวรอบโลก <c oughs> เขาว่าเขาหมายถึงเขาจากกะเกษียณแล้วเขาก็เก็บสตง<อ>างค์ไปทัวร์รอบโลกอะไรประมาณนี้โลกก็เลย ตลกว่าเอตกลงไข่แปลกกันแ น, <c oughs> น่มันมันก็ ง, งงงเพราะว่ามันไปสัมปะยุทธกับโลกค่อนข้างมากนคนดีเนี่ยพระเจ้าท่านบอกไว้หลายอย่างนะ <c oughs> รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บุคคลรู้ประชุมชนเ <c oughs> ราไปอยู่ในหมู่คนบ้าเราไปพูดแบบคนดีเขาก็ว่าเราบ้าสิต้องดูประชุมชนด้วยนะเวลาหลวงพ่ออยู่ในหมู่คนบ้าหลงโลกนะเราก็ยิ้มยิ้มหัวเราะไป หาหนังสือการ์ตูนมาอ่านนะมีมุกมีอะไรไปคุยกับมันบ้าง เ, ออเราก็ภาวนาไปมันกินเหล้าเราก็กินกลับ อ, อ๋อแต่ถ้าเราไปอยู่กับวงแบบนั้นนะวันเราก็มาหายใจเข้าพูดออกโทรมันก็ว่าเราบ้าสิ <c oughs> ต้องรู้จักนะเรียกสัพพุลิสธรรมเจประการรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บุคคล ร, รู้ประชุมชน ชุมชนคือเราอยู่ในสังคมชนิดไหนรู้ตัวเองเรามีสถานะอะไรก็มีเหตุมีผลตอบได้ไ้ยใครบ้าพอพอทราบแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะสมเด็จโตบอกเวลาขลัวโตบ้านะคนมันว่าขัวโตดีขัวโตดีมันว่าขัวโตบ้า <laughs> เพราะว่ามันอยู่ในสังคมบบ้า อาต่อไปเบอร์95้าห้าอ้าวว่าไป ก, ก, การนมัสการหลวงพ่อคะ่ะพอดีหนูเพิ่งมาเพิ่งเริ่มปฏิบัติค่ะอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำวิธีการปฏิบฏัติให้หน่อยคะ่ะปฏิบัติจะยากอะไรหนูคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ไวๆฝึกเท่านี้ก่อนนะอย่าใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจลอยบ่อยไหมบ่อยคะ่ะ<อ> บ, บ่อยมากชอบดูละครอะไรเงั้เปล่า ใช่ค่ะโอ้ย่าดูเยอะนะนี่ดาเอาหรอกดูใจบ่อยๆคนนางอิจฉามานี่เกลียดมันรู้ว่าเกลียดนางเอกมาเกลียดมันอีกมันสวยกว่าเราโอ้ยอย่างเงี้ยรู้ทันมันไปเรื่อยรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยนะแล้วแล้วเวลาหนูหนูเหมือนกับท่องพุทโธอะไรเงี้ยใจหนูก็จะลอยไปแป๊บแป๊เดียวหนูก็ลอยไปอีกแล้วอะค่ะเอองั้นพุทโธมันละเอียดไป ต้เล่นของหยาบแบบนั้นอีกหน่อยอนะอยู่บ้านกวาดบ้านไปเรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนั่งกวาดไปตามใดที่จังใจลอยบ่อ ย, อยๆก็ไม่เลิกกวาดกวาดแลกกวาดอีกอ เ, เนี่ยทีหลังมันกลัวเราไม่กล้าลอยอ่ะเขาหนูต้องช่วยมันนิดหนึ่งนะกระตุ้นมันนิดหนึ่งงั้นใจมันจะลอยไปแเอาร่างกายมาช่วยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเรื่อยๆนะแล้วเวลา หนูอยากทราบว่าเวลาหนูโกรธหนูโกรธคนคนนึ่งนะคะแล้วเหมือนเราเรายังต้องเหมือนหนูโกรธเดี๋ยวนั้นหนูรู้ว่าหนูโกรธแต่หนูยังต้องคุยกับเขาอยู่นะตอนนั้นนะคะอืหนูควรจะทํายังไงคะเราก็ยิ้มไปคุยไปโกรธแล้วก็รู้เอาแต่เราไม่ออกทางกายทางวาจานนั้นไปเบียดเบียนคนอื่นเขาโกรธได้ไหมโกรธได้เพราะมันห้ามไม่ได้แต่ว่าต้องอยู่กับเขาต้องคุยกับเขานะ เราไม่ออกทางกายทางวาจาไปว่าเขาไปทําหน้าตึงเขาอะไรเงี้ยเรดูใจของเราไปสู้กับกิเลสของเราอย่าไปสู้กับกิเลสคนอื่นเลยสู้ไม่ไหวหรอกกิเลสคนเต็มโลกนะเราสู้กิเลสของเราคนเดียวเราก็แย่แล้วดูของเราไว้ดูซีใจของเราเวลามันโกรธขึ้นมาเรายังห้ามไม่ได้เลยเห็นไหมใจเราเรายังห้ามไม่ได้เลยใจคนอื่นแล้วเขาก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันน่าสงสารยิ่งกว่าเราอีก น่าสงสารกว่าเราตรงไหนตรงที่เรารู้ทันใจของเราแต่เขาไม่รู้เขาหน้าสงสารจริงๆนะเขาไม่มีทางพัฒนาเลยแต่เราเห็นกิเลสตัวเองเรืยเรามีโอกาสพัฒนานะเขาน่าสงสารนะถ้าหนูรู้สึกว่าเขาหน้าสงสารเมื่อไหร่นะความโกรธจะหายไปความเมตตาการุณามจะเข้ามาแทนที่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ บอกหลวงพ่อจะพูดเอาแต่ได้มันทำยากหนะ้าใช่ไหมนี่สารภาพเลยร2อยยี่สิบห้าเชิญก็มีถามหลวงพ่อสองคำถามอะคะ่ะขอให้หลวงพ่อเห็นหน้านิด น, นึงข อ, ขอเห็นหน้าอเอาหน้าไปเก็บได้วาไป คำถามแรกถามถามเผื่อพ่อค่ะไหนแล้วพ่อมาไหมไม่ได้มาค่ะอ่าถามอย่างนี้ยากอคือพ่อฟังซีดีของหลวงพ่อตอนที่หลวงพ่อไปรายงานการปฏิบัติกับหลวงปู่ดูลหลังจากที่สามเดือนที่ได้พบท่านครั้งแรกอะค่ะแล้วหลวงปู่ดูลบอกว่าสิ่งที่หลวงพ่อเห็นคือ อ, อาการของอาาจิ ต, จตไปแทรกแซงอาการอ่าตอนนี้คุณพ่อก็เลยถามว่า แล้วจิตมันดูยังไงแล้วมันมันอยู่ตรงไหนแล้วดูยังไงอะคะ่ะ บ, บอกคุณพ่าสิว่าสงสัยให้รู้ว่าสงสัยนะ mm hmm. นั่นแหละดูจิตห <laughs> ลวงพ่อไปแทรกแซงอาการของจิตมนหมายึงจิตไม่ดีพยายามทำให้ดีจิตไม่สุขพยายามทำให้สุขจิตไม่สงบพยายามทำให้สงบเ mm hmm. นี่ยเข้าไปแทรกแซงอาการของจิต วิธีดูจิตก็คือจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีจิตไม่สุกรู้ว่าไม่สุขจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบรู้ด้วยความเป็นกลางนะจำได้ไม่เอ่ยค่ะ น, นี้พอรู้ว่าเป็นกลางคือการที่รู้ว่าเป็นกลางคือการดูจิตเหรอคะหลวงพ่อใช่รู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยค่ะเดี๋ยวหนูจะลองไปอธิบายพ่อนะอธิบายให้เหมือนที่หลวงพ่อบอกนะ เดี๋ยวไปกลับบ้านอธิบายไปอีกแบบหนึ่งอ่ะมันเสี่ยงนะเดี๋ยวหนูต้องพยายามหาแท็กที่มีตรงนี้ว่าให้พ่อฟังดีกว่าด้วยหนูอธิบายไปแล้วไม่เหมือนแต่หนูจะบาปอีกเอางี้บอกพ่อนงนี้ว่าถ้าจิตมีความสุขนะให้รู้ว่ามีความสุขนะจิตสงบรู้ว่าสงบจิตดีรู้ว่าดีนะจิตเป็นทุกข์จิตฟุ้งซ่านจิตไม่ดีก็รู้ทันอย่างที่มันเป็นนี่แหละเรียกว่าดูจิตจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น มันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันดีก็รู้มันชั่วก็รู้มันสงบก็รู้มันฟุ้งซ่านก็รู้นี่เรียกว่าดูจิตนะส่วนการแทรกแซงอาการของจิตนะจิตไม่ดีพยายามทำให้ดีจิตดีแล Rama, ้วพยายามรักษาให้ด <services>. ีตลอดเนี่ยนี่แทรกแซงละจิตไม่มีความสุขก็หาทางทาให้มีความสุขพอมีความสุขแล้วหาทางรักษาให้ให้สุขตลอดอันนี้แทรกแซงละจิตฟุ้งซ่านอยากให้สงบ นะพยายามแทรกแซงพยายามบังคับให้สงบพอสงบแล้วก็อยากให้สงบตลอดอันนี้แทรกแซงนะต่างกับรู้นะรู้เนี่ยจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีก็รู้ว่าไม่มีนะจิตโกรธขึ้นมาก็รู้จิต ด, ดีขึ้นมาก็รู้จิตฟุ้งซ่านขึ้นมาก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นแล้วจะเห็นความจริงว่าทุกอย่างที่เราไปรู้ไปเห็นนะเป็นของชั่วคราวหมดเลย จิตมีความสุขก็อยู่ช่วคราวจิตมีความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตสงบจิตฟุ้งซ่านก็อยู่ชั่วคราวนี่แหละเรียกว่าดูจิตนะมันจะเกิดปัญญานี่บางคนดูจิตผิดไปจ้องใส่ตัวจิตจ้องนิ่งๆอยู่ที่ตัวจิตเลยอันนั้นเรียกว่าเพ่งจิตไม่เกิดปัญญาเป็นสมถะค่นะคราวนี้คำถามที่สองก็เป็นของตัวเองอคอรู้สึกว่าที่สามของแม่ไหม <laughs> อ้วาวไป ตัวเองก็คือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะมีมีจะมีอะไรกดตลอดจนกรทั่ทงมไม่เห็นสภาวะที่เป็นกลางเนอรู้ว่ากดเนี่ยอยากอยากให้หายกดไหมคือรู้สึกมันมันติดอยู่กับตัวมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่ท ง, ตงตอนนี้มันก็ยัง ไ, ไปดูเลยตรงเนี้ยใจหงุดหงิดใจไม่ชอบนะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นแล้วว่ามันกดอยู่นะให้รู้ทันกิเลสตัวนี้แหละ พอใจเป็นกลางนะเห็นมันจิตมันโกรธของมันเองไม่เกี่ยวกับเราจิตไม่ใช่เรารู้สึกมันมันมันไม่หายสัทีมันเป็นนึกไงมันไม่ชอบใจมันหงุดหงิดมันหงุดหงิดรู้จักไหมหนูหนูดูลงไปเลยนะมันเป็นกิเลสตัวหนึ่งชื่อว่ากุกขุจะอย่างเวลาที่จิตไปติดไปข้องอะไรอยู่นะเรารู้สึกไหมไม่ดีเลยตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะหายทีนะลาคาญ กุกุจจะคือความรําคาญใจหนูดูออกไหมนั่นใจเรามีกิเลส ช, ชื่อความรําคาญใจชื่อกุกุจจะให้เรารู้ทันว่าจิตมีกุกุจจะแล้วนะดูตัวนี้จิตจะเป็นกลางขึ้นมาก็จะเห็นวนะ่าจิตมันติดอยากให้หายมันหายไหมไม่หายเพราะจิตเป็นของบังคับไม่ได้ดูลงเป็นไตรลักษณ์เลยช่วยมันคิดพิจารณาลงเป็นไตรลักษณ์เลยมีแต่ของห้ามไม่ได้มีแต่ของบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ดูไปเรื่อยๆอย่างนี้ นะแต่ดูด้วยใจเป็นกลางไม่มีกุกจจอุดจระร้อยอะไรเบอร์อะไรสี่สิบหกอยู่ไหนสีน่สิบหกนวอยู่หลังห้องหลังห้องเดี๋ยวต้องถามทีจะไปบอกพ่อว่าไงหายไปหมดยังอา้าวว่าสี่สิบหกหครับมาดนาขาดหน้ ห, ห, นหน่อยอดูหน้านิดหน่อยก็ยังดีให้เห็นเต็มเต็มหน้า หลายปีแล้วครับที่ไม่ได้มานมาสักการหลวงพ่อครับแต่ก็อาศัยฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติเองอยู่ที่บ้านนะครับรู้ดีแต่สี่ปีที่ผ่านมาไม่มีพัฒนาการนะครับหลวงพ่อไม่จริงมากเพิ่งจะมารู้ตัวเอาก็ตอนที่วันมาค้าบูชาที่ผ่านมานะครับเออนั่นแหละมีพัฒนาบ้างแล้วครับรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับเออแล้วถ้าผม จะฟังแต่ซีดีของหลวงพ่อแล้วไม่ได้มาส่งกันบ้านนี่ไม่เป็นไรจะได้ไหมครับฟังซีดีแล้วภาวนาใช้ได้ครับมาส่งกันบ้านทุกวันเลยอยากส่งทุกวันแต่ไม่เคยภาวนาใช้ไม่ได้ครับอยากจะขอหลวงพ่อช่วยแนะนำํำไปทําอีกสิทําสูกแล้วนี่ครับนะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอยี่ยง เห็นครับโอ้นะทำถูกแล้วละไปทำอีกดูบ่อยๆสงสัยอะไรขึ้นมานั้นก็ยกมือไหว้ซ d ดีทีหนึ่งแล้วเปิดนะครับเดี๋ยวก็ได้คำตอบเองแหละมีทุกคำตอบเลยแต่บางทีผมก็ต้องอาศัยการพิจารณาถูกต้องใช่ได้ได้ั้ยครับหได้ต้องช่วยเหมือนพี่นะโอ้ถูกแล้วล่ะที่ทำอยู่นะครับน้ำการพ่อครับใช้ได้เชียละ เขาคุณภาวนาได้ดีแล้วล่ะ1้3ดสิบสามนี่อยู่ข้างหน้าห้องเลยนมัซ ก, การค่าหลวงพ่อหนูฟงซานเยอะอ่ะอืมหนูพ่อเขาว่ า, างนะ น, น้องในแล้วหนูเวลาหนูดูการ์ตูนอย่างเงี้ยะหนูก็จะหลงไปเป็นตัวละคร น, า น, า น, นะคะั้นๆอ่ะธรรมดานะไม่เฉพาะหนูหรอกพวกพี่ๆป้าๆ น, น, น้าๆเวลาเขาดูเขาก็าอินอย่างนั้นแหละ ตื่นเต้นอ่ะแล้วโรงเรียนหนูนะค่ะเป็นโรงเรียนคริสต์อ่ะแล้วบางมันจะเป็นสองวิชาที่เกี่ยวสองคาบสุดท้ายอ่ะของวันพระรหัสที่เป็นเกี่ยวกับนมัสกรารพระเจ้าอ่ะแล้วหนูก็จะแบบใจหนูจะเป็นอกุศลแล้วต่อต้า น, นิดนิดอ่ ะ, ค, ะคือวางใจให้ถูกสิระวังใจว่าพระเจ้าก็เป็นเทวดาเป็นเทพเป็นคนดีอะไรเงี้ย เราไหวคนดีคือคิดอย่างนี้ซะหนูแต่ไม่เอามาเป็นที่พึ่งหนูเหมือนหนูต่อต้านคุณครูมากกว่าค่ะเขาเหมือนเขาเขาพูดแล้วมันขัดใจหนูค่ะแบบมันหนูนี่น่ารักน่ารักแล้วหนูก็เวลาหนูเห็นหนูฟูงส่านไปอ่ะหนูหนูก็หนูตื่นเต้นมากเลยค่ะสลวงพ่อหนู หนูหนูจะหลวงพ่อหนูตื่นเต้นมากเลยหลวงพ่อก็ว่ากันแหละไม่เป็นไรเอาให้เวลาตื่นเต้นให้ตื่นเต้นได้ถึงสิบโมงมันดับไปแล้วอะ่ะนั่นแหละดูไปนะดูไปอย่างนั้นแหละแล้วหนูมีติดอะไรหรือเปล่าคะคือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็แค่รู้เท่านั้นแหละนะเราบังคับจิตตัวเองไม่ได้อย่างจิตจะตื่นเต้นเราห้ามไม่ได้นึกออกไหม เราห้ามไม่ได้จิตจะโกรธก็ห้ามไม่ได้จิตจะโลภก็ห้ามไม่ได้จิตจะต่อต้านครูก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าเรามีหน้าที่รู้เอานะคอยรู้ไป<น>เดี๋ยเป็นกลางหนูเริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปนิดนี้และอปกติเวลาหนูคุยกับเพื่อนอย่างนี้นะคะ่ะมันก็จะมีเรื่องอื่นมาแล้วทำให้มันมันลกสมองแบบเรื่องที่มันไม่จำเป็นต้องรู้บ้างค่ะแล้ว เดี๋ยวนี้กเ็เริ่มรู้สึกว่าไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากคุยไม่อยากแบบสื่อสารกับเพื่อนๆแบบ อ, อยากอยู่ในแบบกับอยู่บ้านอยู่มาวัดหรืออะไรแบบนี้มากกว่าวค่อยๆพัฒนาไปนะสุดท้ายเราก็อยู่ที่วัดหรืออยู่กับเพื่อนเนี่ยเหมือนกันนะอยู่ตรงไหนใจเราก็มีความรู้สึกตัวนะรู้ว่าตอนนี้มีหน้าที่เล่นบทบาทนี้ก็เล่นไปแล้วหนูติดอะไรหรือเปล่าหนูติดความสงบสิ ถ้าเราติดความสงบนะั้นอยากหนีโลกนักปฏิบัติที่แท้จริงไม่หนีโลกนะแต่เรียนรู้โลกไปอี่ยงเราไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยมีเรื่องกระทบใจเราเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเราดูความเปลี่ยนแปลงไปหนูรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยมีกําลังในการดูเท่าไหร่ค่ะดูสภาวะ า, าเครื่องช่วยให้จิตอยู่นะอยู่กับพุทโธอยู่กับอะไรก็อยู่ถ้าไม่มีที่อาศัยเลยจิตจะไม่มีแรง เรามีวิธีที่ทําให้ไปเร็วๆไหมคะไม่ไงท่าพุโทโธท่า <laughs> พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยนะหนยจะได้มีแรงหนูสวดมนต์สวดมนต์เวลาสวดมนต์หนูสวดมนต์เร็วๆได้ไหมคะได้สวดได้แต่สวดคนเดียวนะไปสวดพร้อมคนอื่นเราเร็วอยู่คนเดียวไม่ได้อ <laughs> <laughs> หนูเหมือนหนูอยากมีอะไรพูดแต่หนูหนึกไม่ออกแล้เออก็รู้ว่าอยากไปอ่ะไปเชิญกลับบ้าน